พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13บสาพระสูตรที่37ปิยชาติกาสูตรสูตรว่าด้วยสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตตะวนารามบุตรน้อยคนหนึ่งของขรอารหบดีผู้หนึ่งถึงแก่กรรมขรารหบดีผู้นั้นก็ไม่เป็นอันทำงานไม่เป็นอันบริโภคอาหาร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 เขาเรื่อหาเบอดีเห็นว่าความเห็นของตนตรงกับพวกนักแรงสากาก็จากไปเรื่องที่โต้ตอบกันนี้ก็เป็นข่าวลือไปถึงราชสำนักพระเจ้าเปรเซนที่โกรสลทรงสนทนากับพระนางมาลิกาถึงเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ทราบแน่พระนางมาลิกาจึงส่งนาลิชังขพราหมณ์ไปกราบทูลถามรระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสยืนยันว่า